ยงยกตัวอย่างเช่นสมมุติผมนั่งอยู่แล้วลูกชายผมเนี่ยวิ่งก็มาหาผมแล้วก็เรียกผมแล้วผมรู้สึกมีความสุขผมก็รู้สึกได้ว่าผมมีความสุขแตหลังจากนั้นเนี่ยผมไม่มั่นใจว่าผมควรทำอย่างไรต่อหรือว่าไ ม, ไม่ต้องทําอะไรหายจิตมันทําเองเช่นตอมันมีความสุขแล้วมันก็มานั่งคิดม่าจะทําอะไรต่อดีนะเนี่ยรู้ลกปัจจุบันไปเรื่อยๆจิตนะไม่ได้เลือกทํางานเขาทางานของเขาทั้งวันทั้งคืน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 เราพยายามแก้ไขตัวนี้มีปัญหาอย่างนี้ผมก็จะปล่อยให้ผมโกรธไปดูตัวผมโกรธไปเรื่อยๆนะครับเอนั่งดูซิดูว่ามันโกรธได้นานแค่ไหนแต่ขั้นแรกเลยนะถือศีลห้าไว้ก่อนครับถึงโกรธยังไงนะก็ไม่ล้นออกไปทางปากทางมือทางเท้าครับงั้นโกรธแล้วเราก็ดูดูซิเธอจะโกรธนานแค่ไหนไม่ใช่ให้หายนะแล้ว ตัวอย่างหนงถ้าสมมติผมรู้สึกว่าผมมีกิเลสอย่างเช่นผมรู้สึกว่าวันนี้ผมต้องขับรถไปทาร้านอาหารเนี่ยไกลๆผมต้องไปให้ได้เลยคือผมรู้สึกตัวว่าเฮ้ยผมมีกิเลสนะที่จะต้องไปแสวงหาไปทานอาหารร้านอร่อยๆไกลๆเนี่ยผมควรที่จะหยุดพากิดกิเลสของผมดีหรือว่าผมก็ควรแค่จะมองขกิเลสของผมว่าผมจะไปแล้วผมก็ไปจริงๆอย่างนี้นะครับคือมองที่กิเลสเรานะ พอความอยากหรือกิเลสดับไปจริงๆตอนนี้เหลือเหตุผลแล้วสมควรไปก็ไปเราจะใช้ชีวิตด้วยเหตุผ ล, ลไม่ใช่ด้วยอยากครับนี่เรามีสติขึ้นมานะเรา อ, อันนี้เป็นธรรมะที่จะอยู่กับโลกคนในโลกเนี่ยถูกกิเลสสั่งให้ทำโน่นทํานี้ทั้งวันชีวิตนี่เหนื่อยกว่าความที่ควรจะเป็นเยอะเลยลําบากดิ้นรนอยากได้โนวนได้นี่เราดิ้นทำมาหากินแทบเป็นแทบตาย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 ใช้เหตุผลแล้วผมควรไป้าไปแรงว่าสติที่ผมเกิดมันไม่ใช่สติที่จริงรมันมันยังไม่มีแรงพ อ, งอถ้าสติตัวแท้เกิดแล้วผูุสนจะดับทันทีดับเองเลยแล้วจิตใจจะแช่มชื่นเบิกบานแล้วจะทํำยังไงให้สติผมแท้สติแท้เกิดได้เองสติต้องเกิดเองไม่มีใครสั่งสติให้เกิดได้เพราะสติเป็นอนัตตา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 ถ้าไปจิตมันจำสภาวะได้มากจำสภาวะได้แม่นพอสภาวะเกิดแล้วสติจะเกิดเองสติเกิดจากทิรัสัญญาสัทถูถุสระอิรอเรือทิรัสัญญาหมายถึงการที่จิตจำสภาวะได้แม่นจิตจะจำได้แม่นถ้าจิตเคยเห็นสภาวะบ่อยๆเหมือนเราจะจำคนนี้ได้ก็ จ, จำได้ว่านี่ที่ตินาจจำได้ถ้าเราเห็นบ่อยๆจำแม่น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 วันหนึ่งวันหนึ่งอัปุศสนเกิดมากกุศสนเกิดน้อยตรงนี้เข้าใจยัง <ś mus ique> อัปปุสสนมากนะวันหนึ่งวันหนึ่งอัปปุสสมีน้อยงั้นเรียนรู้เรื่องอัปุสสนให้เยอะอกปปุสสประกอบด้วยโลภโลกโรธหลงหลงมีเยอะที่สุดในแต่ละวันเดียเด๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็หลงนะลืมกายลืมใจหลงไปด้วยเพราะงั้นเรียนเรื่องหลงให้เยอะ <ś mus ique> ความโลภความโกรธเป็นของมีน้อยยกเวน้นยกเว้นบางคนมีขี้โมโหโมโหทั้งวันโมโหอยู่ที่ปลายจมูก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 อย่างนี้เราดูจิตแต่จิตก็มีสองชนิดจิตที่โลภกับจิตไม่โลภจิตที่มีความอยากพเรารู้ทันก็กลายเป็นจิตที่ไม่อยากดูอย่างนี้ผู้เดียวก็พอแต่ผู้ที่หลวงพ่อแนะนานะจิตที่หลงกับจิตที่ไม่หลงถ้าจิตที่หลงเนี่ยโดยพื้นฐานแล้วมีมากที่สุดจิตจะโกรธได้ต้องหลงก่อนจิตจะโลภได้ก็ต้องหลงก่อนเพราะฉะนั้นหลงเนี่ยเป็นกิเลสยืนพืนโมหะเป็นกิเลสยืนพืน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 เวลาได้ยินคนเขคุยกันหัวเมียข้างบ้านคุยกันอยากรู้มันก็คุยอะไรตั้งใจฟังเขาลืมตัวเองรู้เรื่องที่ฟังนั่งอยู่คนเดียวก็นั่งคิดไปเรื่อยๆบางทีก็รู้เรื่องที่คิดบางทีคิดอะไรก็ไม่รู้นี่หลงทางใจเนี่หลงทางตาหลงทางหูจังจมูกทางลิ้นทางกายทางใจหนะลงทางใจเกิดบ่อยที่สุดะส่วนมากพอหลงทางตาเดี๋ยวเดีย ว, ยวก็จะไปหลงทางใจเช่นไปเดินไปเห็นดอกไม้สวย เดินดูดอกไม้ไปแปบเดียวคิดต่อไปละแหม่ได้ดอกไม้นี่ไปให้แฟนเราก็จะดีคิดจะถึงแฟนเราแล้ะลืมเรื่องดอกไม้ไปละอันนี้เป็นการทํางานทางใจนั้นหลงทางใจนี่มีมากที่สุดคือหลงไปคิดงั้นหากรู้สภาวะหลงคิดให้ดีถ้าเรารู้จักสภาวะหลงคิดแล้วก็การทำกรรมฐานของเราจะทําได้ทั้งวันเลยตอนนี้เป็นสภาวะที่เกิดถี่เลยในหนึ่งนาทีนี่หลงคิดหลายครั้ง ไหลแว บ, บแว บ, บแว บ, บอลองทดลองดูนะอย่างตั้งใจฟังหลวงข้อเนี่ยรู้สึกไหมฟังไปคิดไปรู้สึกเป็นแวบ บ, แ บ, บ, บเออนี่ยมันหนีแวบ บ, บบนะจริงจริงประมาณสองวินาทีก็หนีแว บ, บหนึ่งละนิดเดียวเนี่ยเบอร์สามสิบสี่ไปแล้วเห็นไหมเสีเบอร์สามสิบแปดก็ไปแล้วเห็นไหมมันหนีหนีไปคิดงั้นถ้าเราจําสภาวะที่จิตหนีไปคิดได้แม่นสติจะเกิดทั้งวันเพราะสภาวะนี้เกิดบ่อย นี่เคยมีคนมาถามหลงพ่อว่าใช้อารมณ์อื่นนอกสติปัฏฐานได้ไหมถาม่าจะใช้อะไรบอกถ้าฟ้าร้องผมจะคอยรู้สึกตัวบอกไม่ได้พอปีหนึ่งร้องไม่กี่ครั้งแต่จิตที่ไหลไปคิดเนี่ยคิดทั้งวันเลยแวบบรู้สึกแวบบรู้สึกสติมันจะถียิบขึ้นมาเราฝึกสติไม่ใช่เพื่อไม่ให้ขาดสตินะฟังให้ดีหลายคนเข้าใจผิดว่าฝึกสติเพื่อไม่ให้ขาดสติ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 ขณะที่กลัวขาดสติแล้ว น, น, นะขาดสติเรียบร้อยแล้วนะโลภหรือโทสะแทรกเข้ามาในใจเรียบร้อยแล้วขาดสติไปแล้วนั่นเราไม่ได้ฝึกสติเพื่อไม่ให้ขาดสติแต่เราฝึกสติเพื่อว่าทันทีที่มีสติเราจะรู้ว่าเมื่อกี้หลงแล้วความหลงก็ดับไป ล, ละเกิดความรู้สึกตัวรู้สึกได้แวบเดียวก็จะขาดสติอีกขาดสติอีกรู้อีกจุดสุดท้ายเลยปัญญามันจะเกิด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 ร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนนี้ไม่ใช่ตัวเราเห็นทันทีนะจะรู้สึกเลยไม่ใช่เราเวทนาก็ไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เขา้ากุศลแล ะ, ะอกุศลเช่นความโลภความโกรธความหลงก็ไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เขา้าหืดออ้านเดียวในนี้คือตัวจิตนี่เองเรารู้สึกว่าจิตนี้คือตัวเราเราไม่เห็นได้ว่าจิตเกิดดับเราจะรู้สึกว่าใ น, นนี้มีเราอยู่คนหนึ่งเราเดี๋ยวนี้กับเราตอนเด็กๆก็ K, ๆยังเป็นเราคนเก่าอยู่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 จนถึงอารหันเกก็เยอะนะมีคนมาหาหลวงพ่อที่บ้านนี้เลยเป็นที่ฆาตกรรมพระริยะฆ่าพราอริยะตายทุกวันทุกวันนะพระอริยะทำไมมันเยอะนักก็ไม่รู้นะสติยังไม่มีเลยแต่มีพระอริยะขาสติสติตัวจริงยังไม่รู้จักจะเป็นพระอริยะได้ยังไงเอาแต่เพ่งเอา<ม>เพ่งเอากําหนดเอากําหนดเอาไม่ใช่สติตัวจริงสติตัวจริงไม่ได้เพ่งเอาไม่ได้กําหนดเอามันระลึกขึ้นมาได้ด้วยตัวของมันเอง เบอร์ห้าใจรอยทราบไหมเบอร์ห้าให้รู้ทันนะใจหนี้ไปก็รู้ทันรู้ไปเอ๊ทำอะไรหลงไปแล้วนะเบอร์สามสิบสี่ใจรอยเบอร์สิบก็ใจรอยอ๋อลอยทั้งห้องแลนะ้วเ <c oughs> นาะทันไปดูเบอร์ไหนก็ใจรอยคุณเบอร์สามติดการเพ่งนะอย่างเพ่งไว้อย่างประคองไว้ และจริงการปฏิบัติธรรมเนี่ยรู้กายตามที่เขาเป็นรู้ใจตามที่เขาเป็นไม่เข้าไปแทรกแซงนะของคุณเบร์สามยังแทรกแซงอยู่ถ้าเรายัางแทรกแซงอยู่ตรับใด้แล่วเราจะพบว่าการปฏิบัติของเรายัา ง, ลงล้มลุกคลุกรานได้ช่วงนี้จเจริญแล้วก็เสื่อมจเจริญแล้วก็เสื่อมเนี่ยตลาดชีวิตจะเวียนอยู่แค่นี้เราไม่สามารถฉีกวงจรอันนี้ออกไปได้เริ่มบังคับตนเองอีกแล้วทราบไหม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 จิตไหลไปแล้วจิตจะเข้าไปค้นกว้าว่าจะไปดูอะไรดีนะปฏิบัติบางทีจิตเที่ยวหานะว่าจะดูอะไรดีรู้ว่าจิตส่งออกไปเที่ยวหาอย่างนี้ใช้ได้ละการแสวงหานั้นขาดทันทีเลยเดี๋ยวรู้สึกตัวตื่กขึ้นมาอีกเดี๋ยวก็จะส่งไปหาอีกเขาลุยมันจะเที่ยวหาอารมณ์ไปเรื่อยๆมันหิวนะมันหิวอารมณ์นะจะเที่ยวหาอารมณ์พอไปเจออารมณ์แล้วมันก็ไปเสพอารมณ์อยู่ใ น, นอง้ไปก่อไปเกี่ยวไปกินอารมณ์นั้นอยู่พอหมดเรื่องหมดแรงมันก็ตายลงรวัง เดี๋ยวรู้สึกขึ้นมาอีกก็เที่ยวหาอีกเนี่ยเมื่อกี้ใจลอยแว บ, บหนึ่งเบอรสามทราบไหมใจหนีแว บ, บไปให้รู้ทันไม่ห้ามนะหลวงพ่อบอกแล้วนะการปฏิบัติไม่ได้เพื่อห้ามแต่เพื่อเรียนรู้ให้เห็นว่าเขาทํางานของเขาได้เองถึงวันหนึ่งเราแจ้งขึ้นมาในใจนี้ทํางานของเขาเองทั้งวันทั้งคืนพอ เ, เห็นแจ้งตรงนี้นะเขาไม่ใช่ตัวเราแล้วเขาทํางานได้เองเมื่อกี้จิตลงระวังนิดหนึ่งรู้สึกไหมเบลอๆแวบหนึ่ง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 ทุกขังอริยสัจจังปรินเยยยังทุกขังก็คือตัวทุกเนะทุกขังอริยสัจจะทุกอริยสัจเนี่ยปร young, ินเยยยังมาจากคาว่าปาริคำหนึ่งกับคำว่ายาคาปาริกัยาปาริแปลว่ารอบยาแปลว่ารู้ปรินเยยยังเนี่ยมาแปลงออกไปแปลว่าควรรู้รอบเพราะฉะนั้นทุกเป็นสิ่งที่ควรรู้รอบไม่ใช่ทุกควรกําหนดรู้นะ ทุกเป็นสิ่งที่ควรรู้รอบรู้รอบหมายถึงอะไรรู้รอบในกองทุกทุกได้แก่ขันห้าเพราะงั้นเราต้องรู้รอบในขันห้านะรู้ตายรู้ใจไม่ใช่ร่วนเดียวนะไม่ใช่เพ่งใส่มืออันเดียว Ces เพ่งใส่ท้องอันเดียวในขณะที่ท้องฟองยุคเนี่ยใจต้องเป็นคนดูใจอยู่ต่างหากนะเป็นคนดูที่สบายสบายหรือเดินอยู่เนี่ยใจเป็นคนดูร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูนั่งอยู่นี่เห็นรูปมันนั่งใจเป็นคนดูอย่างนี้ถึงจะเรียกว่ารู้รอบ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 หรือสั่งให้เก่งๆนะจงบรรลุมรค น, นิพพานสั่งอย่างนี้เลยมันไม่บรรลุรอกเราไม่มีใครทำได้ไม่มีใครทําจิตให้บรรลุมรค น, นิพพานได้นะประโยคนี้ก็สำคัญนะกว่าจะเข้าใจเหนื่อยแทบตายเลยไม่มีใครทําจิตให้บรรลุมรค น, นิพพานได้จิตเข้าบรรลุของเขาเองเพราะเขามีปัญญาของเขาเองเขามีปัญญาเขาเองเพราะว่าเขารู้ขเขามีสติขึ้นมาเอง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 ขณะจะนิพพานยังนอนลืมตาเลยไหมไม่ค่อยเจอนะพระนิพพานหลับตานอนหลับตามันเป็นสัญลักษณ์ของความตื่นนั่นเองเมื่ก่อนไปเรียนกรรมฐานกับหลวงปู่สิมนะหลวงปู่สิมท่านชอบให้นั่งขัดสมาธิโอ้โหเจ็บถ้าใครเคยนั่งแล้วรู้เลยคุณจะนั่งได้นะต้องใจเพ็จริงๆทนท่านก็บอกว่าหลวงปู่อ้วนขนาดนี้หลวงปู่ยังนั่งได้เลยพวกเราหอมๆทําไมนั่งไม่ได้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 ก็เห็นที่เรศเกิดขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็ทุกข์ก็น้อยลงความทุกข์นะจริงๆความทุกข์ทางใจเนี่ยไปหามาเองเวลาจิตมันถูกหลอกให้ทํางานนะมันก็ทํางานปรุงแต่ไงไปมันก็มีความทุกข์ขึ้นมาถ้าเรามีสติขึ้นมาจิตก็ไม่ปรุงแต่งจิตก็ไม่ทุกข์อี่ยเห็นอนึ่งนี่จิตมีความอยากมีความยึดมีความปรุงแต่งจิตก็ทุกข์จิตไม่อยากไม่ยึดไม่ปรุงแต่งก็ไม่ทุกข์จิตปรุงแต่งจิตทํางาน การทำงานตรงจริตนี่เรียกว่าพบพอสำเพาพอพา่านชื่อเต็มๆคือกลับมาพบการทำงานตรงจิตใจตัวนี้แหละทำให้เกิดความทุกข์นิดใจมันมีความทยานอยากมีตัณหามกระโจนเข้าไปเข้าไปเกาะพอเกาะเกี่ยวแล้วมันก็ทำงานไปหมุนขีดทำงานอยู่ข้งงในก็มีความทุกข์ขึ้นมาเมื่อสามแอบไปคิดทราบไหมเมื่อสามให้รู้ทันใจที่หลงไปรู้ทันนะฝึกนะฝึกเอฝึกเกี่ยวที่หลวงพ่อบอกเถอะ สักสามเดือนแล้วจะรู้ว่าไม่เหมือนเดิมหรอกหลายคนดูที่เราหันหน้าไปดูพวกที่ตื่นขึ้นมาหน้าตาผ่องใสนะไม่ต้องทาแป้งก็หน้านวลกรรมฐานานี้แปลกนะปฏิบัติแล้วสาวๆนี่แก่ช้า <c oughs> นี่พูดอย่างนี้เพื่อจูงใจสาวๆนะสาวๆนะ <c oughs> แล้วแก่ปฏิบัติแล้วแก่ช้าเพราะใจจิตใจมีความสุขยิ้มแยม้แยมแจ่มใสนะหน้าไม่เหี่ยวไม่ย่นไม่ต้องไปดึงเสียเงินเนะ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 จำต้องไม่แทรกแซงอะไรคร่ะอะไรมันเกิดก็ก็ตามดูไปแต่ตาบางทีมันก็ยังยังอดไม่ได้ที่จะเข้าไปแทรกแซงใชนะ่ไม่เป็นไรรู้ทันว่าเข้าไปแทรกแซง ก, ก็ดีโขแล้วคนในโลกนะั้นมันมีแต่หลงเข้าไปปรุงแต่งขันนะั้นมันเป็นความปรุงแต่งโดยตัวของมันเองอยู่แล้วเราอยังช่วยเข้าไปปรุงแต่งมันซ้อนเข้าไปอีกชั้นไปทําปัญหาให้ซับซ้อนมากขึ้นถ้าทีแรกเราก็รู้ทันความปรุงแต่งที่เรากปปรุงขึ้นมา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 เออมันทํางานของมันได้เองนะมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงของมันทั้งวันทั้งคืนแล้วมันบังคับมันไม่ได้ด้วยแล้วมันถูกความทุกข์บีบพั้นนะมันอยู่เฉยไม่ได้มันถูกความทุกข์บีบพั้นตลอดเวลาเมื่อสามนี้ไปแล้วทราบไหมเบื่อสามดีแล้วขอบคุอย่างบังคับนิดนึงดูออกไหมดูออกไหมใจไม่เหมือนเดิมแล้วได้เปลี่ยนแล้วดีมากหญิงดีนะอ้ได้จีก็ดีกว่าเมื่อวาน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 เสร็จแล้วเมื่อมันไปความไปยาวไปไกลเนี่ยก็จะพราะว่าในความสลืมสลือตรงนั้นเมื่อมันใช้เหตุใช้ผลกันอย่างเพียงพอแล้วเนี่ย<ม>ก็จะมีอาการค่อยๆสลืมสลือเหมือนสางจากไข้แล้วตื่นขึ้นมามจึงเพราะว่าอาการทั้งสองอย่างเนี่ยผลก็คืออันเดียวกันทีนี้เราก็เอาเอาไห้ตัวโลง่งๆว่างๆตรงหน้าเป็นเหมือนกับว่าเป็นที่หมายไว้หรือว่าเป็นที่อยู่เข้าไว้เป็นที่คอยสังเกตไว้อย่างนี้ครับแล้วเอาเปเคื่องสังเกตครับ แล้วพอสังเกตไว้ถ้าเราเผลอนิดเดียวก็จะเห็นว่ามองเลยเผลอนิดเดียวก็จะเห็นว่ามองเลยแต่ถ้าหายไปเลยแสดงว่าหลุดไปอย่างเนี้เลยเรียนถามท่านครูบาอาเข้าไว้ว่าที่โยมประพฤติแบบนี้เนี่ยอ่ามันมันถูกต้องไหมอย่างเนี้ยเ อ, อวันนี้ถูกนะสองวันก่อนไม่ถูกสองสามวันก่อนนั้นมันตะลุมบอล น, นะมันหมกมุ่นในการคิดปัญหานี้คือในความเป็นจริงแล้วสภาวะที่ดูแปลกใหม่นะ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 นี่ประดับแล้วใจก็ว่างๆขึ้นมาชัวา่วขณะตรงเนี้ยเป็นจุดที่ใช้เป็นวิหารธรรมก็ได้ใช้เป็นฟุกขังใจก็ได้การวัฒนาก็ต้องระวังตัวนี้แต่อย่างใชาใช้อย่างวันเนี้ยใช้ได้ใช้เป็นวิหารธรรมคือมันผ่องใสอยู่ถ้ามันมองลงมาเราก็เห็นความแปรปรวนของมันความไม่เที่ยงของมันหรือมันหลูดออกไปที่อนะ่การที่มันมองมาเนี่ยตัวมันก็แสดงใจรักแถมมันเป็นเครื่องชี้วัดเป็นเครื่องชี้ ่ว่าตอนเนี้ยไปยึดถืออะไรเขาแล้วอย่างนี้ใช้ได้แต่หลายคนที่ภาวนาพอใจว่างแล้วคึงทอใจเข้าไปเสพเข้าไปคูนเข้าไปเกาะเกี่ยวกับความว่างอันนี้ใช้ไม่ได้นะอย่างวันนี้ใช้ได้ ล, ละครับทีนี้รบกวนอีกนิดนึงครับในสถานที่เราไปปฏิบัตินะครับวันนี้โยมพักอยู่ที่วัดเยโลนะครับอพบว่าสถานที่ตรงนั้นเวลาเดินเข้าไปใหม่ๆเราพบ กบสิ่งแ ป, แปลกเข้ามาอย่างเนี้ยครับตรงนั้นอยากเรียนพระอาจารย์ว่าสถานที่เราควรที่จะเลือกไหมมีผลต่อเราไหมนะมีผลสถานที่สัพปายะสัพปายะของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนสัพปายะในปา่าช้ารือคนสัพปายะตอนนั่งรถเนี่ยพวกนี้สัพปายะนั่งรถแล้วขับรถไปแล้วสติเกิดบ่อยควรจะไปขับแท็กซี่นะ สิ่งแวดล้อมมีที่พลกับเราเแล้วขันเนี่ยมันอาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมเนี่ยกระทบกระเทือนเข้าถึงกันได้อยู่แต่ถ้าเราฝึกไปจนสุดขีดแล้วขันนี้ไม่มีผลเพราะใจมันเป็นอิสระจากสิ่งแวดล้อมขันกับสิ่งที่แวดล้อมอยู่เนี่ยในความเป็นจริงแล้วเป็นอันเดียวกันถ้าเราภาวนาไปจนถึงจุดที่เห็นว่าขันหรือโดยเฉพาะจิตกับสิ่งที่แวดล้อมอยู่ก็อันเดียวกันนะตรงเนี้จะปล่อยวางทั้งหมดแล้ว เราจะเป็นอิสระจากสิ่งแวดล้อมถ้าก่อนหน้านั้นยังไม่อิสระเราก็ต้องรู้จักเลือกสัพพายะทั้งหลายอย่างเราพบกับคนนี้แล้วสติเกิดบ่อยเราก็พบกับคนนี้เรียกบุคคลสัพพายะอาหารชนิดนี้กินเข้าไปแล้วสบายอย่างนี้กินแล้วเขานายากเบียนหัว อ, อืดอัดอะไรเงี้ยเราก็ต้องเลือกเรียกอาหารสราัพพายะสถานที่สัพพายะนะ สิสภาพแวดล้อมสัพปายะเรียกอุตุสัพปายะสิ่งเหล่านี้ยังมีผลกับเราอาจารย์วัฒนาก็ดูนะไปอยู่ตรงนี้ผีดูดูภาวนาดีออแล้วก็ไปอยู่ตรงนั้นดีนะวันนี้ใช้ได้เนี่นิดหนึ่งนะครับว่าไ อ, อ้ตรงป่านางตะเคียนตรงนั้นที่ที่มีความรู้สึกว่าสัมภเวสีหรือวิญญาณอะไรเขาเข้ามาสัมผัสต ร, ตรงนี้ครับมีข้อสังเตอย่างไรว่า เป็นวิญญาณเป็นสัมภเวสีเข้าเข้ามารู้ว่าเป็นสิ่ง<น>ที่เราปรุงเองอยู่ที่ใจเราอย่าเชื่อเรานั่งอยู่เนี่ยเห็นผีโผล่มาเต็มเลยถ้าเราเม้าไปพิจารณาผีเนี่ยเสียท่าละ<ม>ให้ย้อนมาดูที่จิตตัวเองนะแต่จิตของเราเป็นปกติเป็นกลางว่างสว่างแล้วไม่มีอะไรแล้วย้อนออกไปดูใหม่ถ้าตัวจริงก็ยังอยู่นะถ้าสิ่งที่เราปลุงขึ้นเองเราเลิกปรุงไปแล้วไม่มีและ บางคนนึกว่าผีไม่มีนะมีนะมีโอปปฏติกะมีจริงๆไม่ใช่ไม่มีถ้าใครเห็นว่าไม่มีนะยังเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่เยอะแยะนะที่วัดหลวงพ่อนี่คลื้นมากเลยนะเห็นโล่งๆอย่างนี้แหละบางคนมาตั้งใจนะว่าจะเจริญสติไม่ให้ขาดสติก็ขาดสตินะก็ามาเคาะข้างฝาเคาะหน้าตา่างเคาะมุ้งลวดนะ เพจากด้านในด้วยนะมันน่ากลัวตรงเนี้ไม่ใช่เพราะมาจากด้านนอกนอก่ะบางีก็เรียกชื่อนะเคยมีสกิดด้วยใช่ไหมสกิตก็มีเรียกชื่อก็มีนะเพราะก็มีตรงปันไหนมันดื้อ น, นักครับเขาเลื่อนตู้เล่นเป็นที่สนุกสนานตอนหลวงพ่ไม่ อ, มอยู่มีใครโดนบีบคออีกคนหนึ่งจำมีท่านไหนโดนบีบคอ พวกนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกอาจารย์เยอะแยะนี่ถ้าเราไปสัมผัสตรงนั้นแล้วจิตใจเราคึกคักเข้มแข็ง ข, ข, ข, ข, ขึ้นมานะก็ไปอยู่ตรงนั้นแหละดีแต่อาจารย์อย่าไปเป็นหัวหน้าผีก็แล้วกันนะลากเก้าอี้ก็มีนะที่นี่แบดูน่าดูเหมือนกันน้าคุณอ้ อ, อยกิติยาว่างไงเมื่อกี้คุยกับอ้ อ, อยกิตินาแล้วนี่อ้ อ, อยกิติยาบ้าปเดดเดดรับใหม่นิ้หนึ่ วันนี้หลวงพ่อแจ้งโยนไม้ข้ามแต่ใจจะได้ไข่ใจทันคราวที่แล้วที่หลวงพ่อบอกว่าอยากดีแล้วจิตมันเลยทึบๆแน่นๆไปเลยแล้วตอนนั้นไม่ไม่ไม่เห็นอืแต่พอตอนหลังกลับไปแล้วพอรู้สึกอยากปฏิบัติหรือมีทารู้สึกว่าอยากให้จิตดีนะมันมันเป็นแล้วไปเห็นความอยากเขา้าไปมีความอยากมันมีความทุกข์แน่นแน่นแน่นเมื่อสามใจลอยไปแล้วทซ้ำไหม แล้วไงอีกจิตขนาดนี้เป็นไงรู้ตัวเต็มที่แย่งังก็ไม่เต็มที่จิตมีโมหะรู้หร อ, อไหมมันเหมือนกับรู้แต่ว่ามันมันเข็งแข็งนะเอับอ่าจิตยังมีโมหะมันโสมเกียดเป็นไงบ้าเออรู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้างครับครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่สังเกตเห็นนะครับรู้สึกว่าอารมณ์ดีมากขึ้นครับแล้วก็เส้นตื่นขึ้นนะครับสัวเลาะง่ายครับ ดีแล้วเส้นลึกไม่ดีก็เรียกเส้นจมเส้นตื้นๆสบายคือคนนาชอบอิจฉิตนะว่านะักปฏิบัติต้องตีคลึม่มต้องคลึมคล่มๆทำไรช้าๆนะอบรรลุพลระรหัสแล้วเนี่ยรรแทบจะกระดิกตัวไม่ได้เลยแล้วถ้ากระดิกแล้วถือว่าโลภแทรกเข้าใจผิดนะถ้าหากทุกคนนะกระดิกช้าๆเหมือนกันแล้วบรรลุเหมือนกันหมดนะแล้วก็ยังช้าๆอยู่นะคำว่าวาสนาจะไม่มี แท้จริงแล้วพระอราหันต์แต่ละองค์แต่ละองค์นะเคยพูดเร็วก็พูดเร็วนะพูดช้าก็ช้าเคยเดินเร็วก็เร็วเดินช้าก็ช้ า, ชาไม่แกล้งทำหรอกถ้าสารีบุตรเจอต้องร่องนะโดดข้ามเลยทนะ่านไม่มากําหนดรู้กําหนดอะไรไม่มีนะอกระโดดเลยนะนั้นวาสนาเนี่ยไม่แก้แก้ไม่ได้ไม่ได้ไปดัดแปลงมันดีแนละ้วสังเกตภาวนาแล้วมันมีความสุขมันก็เส้นตื่นขึ้น แต่สังเกตไหมภาวานาแล้วมีความสุขก็จริงแต่เห็นกิเลสเกิดเยอะขึ้นแต่เดิมเราคิดว่าเราเป็นคนดีนะแต่พอภา ว, า น, าภาวานาเป็นเราเห็นกิเลสทียิบเลยใช่ไหมเบอร์ยิบสีเห็นไหมกิเลสตัวไหนเยอะ<ม>โทสะเยอะ อ, อดีแล้วเียอะดูโทสะไปหลวงพ่อเป็นพวกโทสะเยอะนะพวกโทสะเยอะก็ปัญญากล้านะพวกเดียวกันเพราะอาการของโทสะเนี่ยรวดเร็วรุนแรง ปั่นโครมโกลมอาการของปัญญาก็รวดเร็วรุนแรงฟาดโรมเลยนะตัวาดูง่ายเป็นกรรมฐานที่ดูง่ายโมหะดูยากแค่ใจมันไหลไหวๆไวป น, นิดเนี่ยเบอร์สามมีโมหะอยู่นะมีอุทธัจจะจิตมีอุทธัจจะเริ่มบังคับแล้วทราบไหมจะสุดโตไปสองข้างถ้าไม่หลงตามกิเลสนะก็บังคับไว้ หลงการกิเลสไปนั่งวิ่งไปหาอารมณ์ที่เพลิดเพลินพอใจและยกามสุขอลิกานุโยคบังคับกายบังคับใจเรียกอัตตะกิลมัฏานุโยคกนักปฏิบัติทำจริงๆคือพวกอัตตะกิลมัฏฐานุโยคนี้ไม่ได้พูดเองนะในอัตถกถาสอนไว้เป็นอัตถกถาในพระสูตรที่เทวดาไปถามพระพุทธเจ้าจําชื่อพระสูตรไม่ได้ของจําชื่อได้ไหม โอค่าตระหนสูตรมันก็มีฝ่ายวิชาการเวลาหลวงพ่อสอนอะไรนะั้นจะคอยจับผิดครูบาอาจารย์ดูซิหนพระไตรปิดกมีไหมเรื่องไปค้นนะั้นในโอคาตระหน้สูตรเนี่ยเทวดาวงหนึ่งไปเฝ้าพระพุทธเจา้าบอกว่ามากลางคืนนะยังรัศมีของเทวดาเนี่ยทําให้พระวิหารเชตะวันเนี่ยสว่างสวแล้วเทวดาเนี่ยแกสําคัญตัวว่าเป็นพระอริยะ มาถึงก็มาถามพระพุทธเจ้าบอกว่าพระองค์ข้ามโอคระได้อย่างไรก็คิดว่าตัวเองก็ข้ามได้นะแ้วมาถามพระพุทธเจ้าว่าพระองค์ข้ามโอคระได้อย่างไรก็คิดว่าพระพุทธเจ้าคงบอกว่าเราทําอย่างนี้เราทําอย่างนี้เราทําอย่างนี้เราข้ามโอคระได้พระพุทธเจ้าท่านไม่สอนอย่างนั้นท่านบอกดูก่อนท่านผู้นี้รัทุกเราตถาคตข้ามโอคระได้เพราะเราไม่พักอยู่และเราไม่เพียรอยู่ ไม่พักอยู่เนี่ยไม่ทอแท้ทอดอะไรที่เกียดที่คลาเนี่ยฟังเข้าใจง่ายใช่ไหมแต่พระพุทธเจ้าบอกเพราเราไม่เพียรเราไปได้ยินแต่ต้องเพียรใช่ไหมต้องเดินมาละเท่านั้นชั่วโมงนั่งเท่านี้ชั่วโมงต้องเพียรพระพุทธเจ้ากับข้ามโอคาโดยไม่พักและไม่เพียรนิทวดาซึ่งนึกว่าเป็นพระอริยะนะฟังแล้วงงเลยงงไม่พักเนี่ยเข้าใจได้แต่ไม่เพียรนี่ไม่เข้าใจบอกขอให้พระองค์ช่วยขยายความนิดเถอะ พระพุทธเจ้าท่านก็ขยายความดูก่อนท่านผู้นี้รัทุกข์ถ้าเมื่อไร่เราพักอยู่เราจะจมลงถ้าเมื่อไหรเราเพียรเราจะลอยขึ้นเราข้ามโอชาได้ด้วยการไม่พักและไม่เพียรคือไม่จมไม่ลอยไม่ฟูไม่แฟบเลยเลยเทวดาฟังตรงนี้เกิดปิ๊งขึ้นมาได้พระโสดาบันก็สารเสริญบอกว่าโอ้นานๆจะได้เห็นพระอาริยะเจ้านะผู้ข้ามโอชาได้ด้วยการไม่พักและไม่เพียร ได้โสดาไปแล้วก็ประทักศีลเยยนรอบเขา เ, เจ้าเจ้าแล้วก็ไปพวกเราได้ฟังธรรมะเช่นเดียวกับเทวดาเทวดาได้โสดาได้ยังได้ยังยังไม่มีนะอนธรริกาาใช้ก็มาขยายความให้เพราะเราฟังแค่เท่าเทวดาเนี่ยเราไม่รู้จะทำยังไงนะ ทัตตะทกาก็ขยายความบอกคำว่าภักอยู่เนี่ยหมายถึงปล่อยตัวตามกิเลสเรียกว่าอาปุญญาที่สังขารอาปุสลาที่สังขารความปรุงแต่งฝ่ายชั่วเรียกว่ากามาสุขานิการนโยโถ้าเพียรอยู่หมายถึงขาาเพียรปฏิบัติเนี่ยก็เป็นกุญญาที่สังขารเป็นความปรุงแต่งฝ่ายบุญเป็นปุสลาที่สังขารความปรุงแต่งฝ่ายกุศลเป็นอัตต์กิลมัทฐานุโยโ สังเกตไหมทันทีที่เราคิดเรื่องการปฏิบัติเราจะบังคับตัวเองอัตโนมัติเลยไม่ได้ทำอย่างอื่นหรอกมีแต่บังคับกายบังคับใจนะกายเคยเคลื่อนไหวสบายๆทำให้ไม่สบายจิตใจเคยทำงานปกติคร่องแพร่ว่องไวเป็นหน่วงให้มันอืดๆช้าๆขึ้นมานี่แหละเรียกว่ากลมกายกลมใจคืออัตตะกิมัฐานุโยคพวกฝ่ายดีทั้งหลายพวกรักดีทั้งหลายเนี่ยคือนักปรุงแต่งอัตตะกิลมัทฐนุโยค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 วิงหาอารมณ์ที่เพลิดเพลินพอใจที่เรียกการสุขานิการนุโยก น, นั่นเพวกนี้จะตามใจกิเลสคิดว่าถ้าสนองกิเลสได้แล้วมีความสุขถ้าตัณหาเกิดขึ้นแล้วสนองตัณหาได้แล้วจะมีความสุขพวกนี้จะวิ่งหาความสุขด้วยการสนองกิเลสตัณหาไปเรื่อยหาอารมณ์ที่เพลิดเพลินพอใจทางตาหูจมูกลิ้นกายมาตอบสนองไปเรื่อยรวมทั้งคิดถึงกามคุณอารมณ์ด้วยเรียกว่าการมาทำคิดถึงกามคุณอารมณ์แล้วก็มีความสุข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 ให้มันสงบได้แล้วจะมีความสุขพวกนักทำกรรมฐานทั้งหลายคือพวกนี้แหละพวกปรุงแต่งนี้ปรุงแต่งจิตใจให้มีความสุขความสงบคอยควบคุมคอยบังคับมันอันนี้เลยเรียกว่าปุญญาพิสังขารความปรุงแต่งฝ่ายดีแต่ในขณะเดียวกันมันก็คืออัตต์กิลมัฐานุโยกคการบังคับตัวเองนี่อีกพวกหนึ่งเห็นว่ายังคอยควบคุมจิตใจอยู่เรื่อยๆนะยังเป็นภาระมากเวลามีอารมณ์มากระทบใจก็กระเทือน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 อีกพวกหนึ่งเพ่งรูปเพ่งไปเรื่อย ๆ, ๆเช่นจะหยิบปวดเนี้ยนะให้จิตให้สติแนบลงไปในมือนะห้ามเคลื่อนไปที่อื่นเลยนะจ้องไปเรื่อยนะห้ามข้ามจิตหนีไปชื่อื่นเลยจ่อไปเรื่อยๆนี่คือการเพ่งรูปการเพ่งรูปเนี่ยถ้าเพ่งถึงขีดสุดนี่นะจะได้จดตุตตาฌานฌานที่สี่ถ้าอภิธรรมจะเรียกว่าฌานที่ห้าปัญจมาฌานแต่ว่าถ้าพระสูตรเรียกว่าฌานที่สี่พอจิตมันแนบลงไปในรูป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 เนี่ยรู้สึกว่าพลุกแล้ตรงนี้ยมันเป็นนิพพานผลมเหมือนกันนะแต่เป็นนิพพานของอสัญญาสัสตตาภูมิผลมรูปฝั ก, กนี่หลายคนทําไมเข้าใจผิดว่าตรงนี้เป็นนิพพานเป็นบนรรลุมรค น, นิพพานวูบลงไปหมดความรู้สึกตัวแล้วคิดว่าบรรลุมรค น, นิพพานพวกนี้ไม่ได้เรียนอภิธรรมหรือเรียนอภิธรรมก็เรียนไม่แน่จริงนะเรียนแล้วพลิกตำราไม่ทันคือพอในขณะที่เกิดอริยมร มีจิตนะชื่อว่ามัคคจิตไม่ใช่ไม่มีจิตไม่ใช่จิตดับในเกิดขณะที่เกิดผลมีผลจิตมียี่สิบดวงมัคคจิตยี่สิบพลจิตยี่สิบอย่างย่อยๆมีอย่างละสี่เรียกมัคสี่ผลสี่ในขณะนั้นมีจิตแล้วก็มีเจตสิกโดยทำที่ประกอบกับจิตอีกสามสิบกว่าดวงดังั้นในขณะที่เกิดมัคเกิดผลไม่ใช่ไม่มีความรู้สึกตัวนะในขณะที่เกิดมัคเกิดผลนี้มีจิต ยังแต่จิตแล้ะก็เจตสิกนั้นไปรู้นิพพานเป็นอารมณ์ไม่ใช่ว่าไม่มีจิตไม่มีเจตสิกถ้าไม่มีจิตจะเอานิพพานเป็นอารมณ์ได้ยังไงนิพพานเป็นธรรมารมณ์นะธรรมารมณ์รู้ได้ด้วยใจใในี่หลายคนนะภาวนาไปวู้ปวดสติพอถอยออกมาก็บอกว่าบารรลุมรรคผลไม่ใช่นะนั้นขาดสติเต้องค่อย ๆ, ๆเรียนนะค่อยๆฟัง จริงๆในอาพิธามตอนไ้ละเอียดแต่เมื่อกีเราไม่ได้ดูสภาวะพลาดกัมีอาจารย์อาพิธามมาเรียนเยอะนะที่วัดหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อเขไม่ค่อยได้เรียนอาพิธามหรอกนะอ่านเราหนี้นิดหน่อยแต่ว่าคุยกันแล้วอาจารย์อาพิธามที่คุยกันรู้เรื่องคุยกันรู้เรื่องหลายคนปรับกรรมฐานไปแล้วบางแห่งเปลี่ยนทั้งสำนักเลย เพราะว่าจริงๆแล้วที่ทําอยู่บาทีไม่ได้เห็นสภาวะมันคือการเพ่งไปเพ่งเพ่งรูปเพ่งรูปยืนเดินนั่งนอนบ้างเพ่งรูปของยุบบ้างเพ่งบ้างเพ่งมันไม่ใช่การรู้รู้กับเพ่งไม่เหมือนกันอะเหนื่อยแล้ววันนี้ขอยังเอาให้คนหนึ่งใครจะถามอะไรเชิญส่งท้ายอันหนึ่งดีไหม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 มันก็เออ่ไม่เป็นไรก็ไม่ไม่เป็นไรใช่ไหมแต่ไราเห็นรูปดับแต่ว่ามันรู้นะคะว่ารู้ว่ารูปมันดับไปแล้วก็เห็นความไม่มีสาระของรูปความจริงตรงที่เห็นรูปดับเนี่ยจิตมันก็ดับจิตมันดับการรับรู้รูปไปด้วยค่ะคือมันรูปมันแค่ยังอยู่นี่หลค่ะแต่จิตมันไม่ได้มาสัมผัสถึงอ๋อเจ้าค่ะเพราะรูปจริงๆริงรูปอายุยืนแต่จิตมันอายุสั้นเจ้าค่ะ ก็กล่าวคือก็คือว่าจริงๆแล้วจิตมันกระดับไปด้วยเพราะว่าเราไม่ได้ไปดูท้่จิตมันกระดับจิดตลอดตรงที่เราไปนึกขึ้นได้ว่าเมื่อกี้รูปดับอ่ะทีนี้มีจิตอันใหม่ไปรู้อีกและอ๋อใช่ค่ะแต่ว่าก็ดีแล้วล่ะอย่างน้อยเราเห็นว่าสันตติของรูปนี้ขาดลงคใช้ได้ดีแต่ตัวที่สําคัญต้องเห็นสันตติของจิตนี้ขาดลงเพราะว่ารูปเนี้ยพออย่างที่คุณพานิชฝึกเนี้ย จะรู้แล้วใช่ไหมรูปไม่ใช่ตัวเราครับหรืออันเดียวที่เป็นเรานะคือจิตใช่ดังนั้นที่ทําอยู่ไม่ได้ผิดไม่ได้เสียหายหรอกเป็นพื้นฐานคแต่ว่าถ้าเราไปมัวแต่ยุ่งเพ่งแต่รูปทิ้งนามไปครับมันจะไม่เข้าใจว่านามเองก็เกิดกับก็คือพอมาเตรียมกระรองพ่อแล้วตอนเนี้ยมันก็ไม่กลับไปดูรูปนะจ๊ะค่ะ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 แบบใดที่เรายังไม่ได้ฟังทำของจริงนะเราก็ยัง ท, ทําผิดผิดถูกๆได้แต่ว่าหลายคนเคยมีนักปฏิบัติหลายคนมาเล่าให้หลวงพ่อฟังว่าพอภาวนาเป็นสติตัวจริงเกิดแล้วรู้สึกเลยว่าไอ้นี้ของกก่าอันนี้เคยเป็นมาแล้วเคยมีมาแล้วเคยรู้จักมาแล้วอย่างก้อยนี่ยก้อยทิตินาศไปเดินจงกรมมันแรกนะเห็นรูปมันเดินใจเป็นคนดูนาว่าอันนี้ยของกก่าเป็นมาแต่เดิม เคยฝึกมาแล้วแต่ชาติก่อนๆหรือมีคนหนึ่งตอนเด็กๆไฟไหม้ข้างบ้านตกใจแต่ตกใจนี่นะสติเรารึกรู้ความตกใจเลยความตกใจขาดสะ บ, บ้านปับ๊บรู้ตื่นขึ้นมาฉับพลันนะแต่เด็กๆเจ็ดขวบไม่รู้ว่ามันคืออะไรความจริงมันคือของเก่าที่เคยฝึกมามีใร้อีกองหนึ่งมาเล่าให้ฟังตอนท่านเป็นเด็กท่านไปงานลอยกระทงพอจุดปลุก จุดดอกไม้ไฟดังๆใกล้ๆตัวนั่นสะดุ้งสุดตัวเลยตกใจเสร็จแล้วสติะระลึกเห็นความตกใจทีมี้ส่วนมากเป็นอารมณ์ตกใจนะที่ข้ามภพข้ามชาติาตัวแรกที่เห็นง่ายนะแต่เคสที่หลวงพ่อเก็บตัวอย่างมาเนี้ยมันเป็นอารมณ์ตกใจเพราะอะไรเพราะอารมณ์นี้แรงเดี๋ยวพอตกใจปุ๊บมันหันไปดูแต่เสร็จแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปทําอะไรวิธีนี้ลืมไปอีกจนมาได้ยินธรรมะของครูบาอาจารย์สอนสึบทอดกันมาเลย ถึงรู้ว่าพอถ้ามีสติรู้ลงไปในทําอย่างนี้เองพอดูลงไปปุ๊บนะก็พบว่ามันเหมือนกลับมาที่ที่เคยมาเป็นกลับมาที่ที่เคยมาแล้วการปฏิบัติมันจะง่ายเพราะว่าเคยทบมาแล้วของคุณ่า น, นิดนะาใจต้องตั้งมั่นมากกว่า น, นี้อีกนิดนึงดูออกไหมใจขัดคําตั้งมั่นแต น, นิดนึงนิดเดียวนะ อย่าเพิ่มแรงนะเพิ่มมากไปเสียอีกไม่ไม่มันมันจะเผลอบ่อยจ้ะเพราะว่ามันพอมันพอมันเฝ้าดูแล้วมันจะเห็นความว่างมันก็จะอยู่แค่อย่าไปเอาที่ว่างตรงที่ว่างเนี่ยมีปัญหาเจให้รู้กายเคลื่อนไหวให้รู้ใจเคลื่อนไหวอย่าไปเฝ้าอย่าไปเฝ้าดูนะให้ความรู้สึกเกิดก่อนให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปก่อนกระทบแล้วความรู้สึกเกิดแล้วก็มีสติรู้เคถ้าเราไปเฝ้าดูอยู่จะเราไปเฝ้าความว่างไว้